ว่าทานมี3ระดับด้วยกัน1ก็คืออามิสตานคือการให้ปันวัตถุสิ่งของทั่วไป 2. ก็ธรรมทานการให้ธรรมะเป็นทานการให้ความรู้เป็นทานการให้คําแนะนําเป็นทานแม้แต่การให้กําลังใจก็เป็นธรรมทานและประการที่สามอภัยทานอภัยทานมีสองความหมาย1การที่เราเป็นคนดีไปที่ไหนไม่มีใครกลัวเราเลยเราเป็นบุคคลแห่งความปลอดภัยเป็นบุคคลแห่งสันติภาพ แบบนี้ก็เป็นอภัยทานในแง่บวกต่อไปอภัยทานในแง่ลบก็หมายความว่าต่อเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งที่อยู่ใกล้เชืิอเราเกิดทําอะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าจะอภัยได้เราก็ยกโทษให้่างนี้ก็เป็นอภัยทานมนุษย์เนี่ยควรจะทําทางให้ครบทั้งสามขั้นพูด ท, ทั่วไปก็คือทําอามิสทานก็ให้ปันสิ่งของแก่กันและการมีน้อยให้น้อยมีมากให้มาก หลักในการให้ปันสิ่งของมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากให้เมื่อผู้รับเขาพร้อมจะรับถ้าเขาไม่พร้อมจะรับแล้วเราไปให้มันจะกลายเป็นการยัดเยียดให้ของที่มีคุณค่าแต่ถ้าให้ไม่ถูกการรัเทสะกลายเป็นของที่ไม่มีค่าได้ไหมคนที่มีพร้อมอยู่แล้วเราไปให้เขาเขาจะเห็นคุณค่าไหมเขาก็ไม่เห็นคุณค่าคนที่ไม่มีเงินเราเอาเงินแค่สิ บ, บาทไปให้เขาดีอกดีใจเพราะอะไรเพราะเขาไม่มี แต่คนนี้ก็มีเป็นร้อยเราให้สิบบาทเขาจะเห็นคุณข่าของเงินเราไหมเขาก็ไม่ให้เราชอบทุเรียนมากๆเลยแต่เพื่อนเราเราไม่ชอบเราเอาทุเรียนไปยัดเยียดให้เพื่อนแทนที่เพื่อนจะชอบเพื่อนกับรู้สึกไม่ดีใช่ไหมฉะนั้นการให้ปันวัตถุสิ่งของต้องให้เมื่อผู้รับเขาพร้อมจะรับแล้วก็ธรรมทานอย่าเน้นว่าธรรมทานเป็นเรื่องของพระคนทุกคนให้ธรรมทานได้เพราะธรรมทานหมายถึงว่าการให้ความรู้ ใครๆก็มีความรู้มีความรู้เรื่องไหนก็ให้ความรู้เรื่องนั้นให้คําแนะนําที่ดีก็เป็นธรรมทานให้กําลังใจที่ดีกับเพื่อนร่วมงานก็เป็นธรรมทานแม้แต่มีคนมาถามทางแล้วเราบอกทางนี่ก็เป็นธรรมทานจะเห็นว่าเป็นเรื่องของคนทุกคนแล้วอภัยทานถ้าเรามีศีลมีธรรมอยู่แล้วทั้งชีวิตเราก็ได้ให้อภัยทานตลอดเวลานอกจากนั้นแล้วอภัยทานในเงี้ยรบกก็ควรปฏิบัติเราอยู่กับใครเกิดผิดพลาด โดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสเกินไปยกโทษให้ได้ไหมถ้าทําได้ก็ยกโทษให้ไปทาําอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติทานให้ครบสามระดับสามขั้นอย่างอภัยทานขอยกตัวอย่างนล็กหน่งยคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์เนี่ยทุกๆปีจะให้อภัยทานนักโทษเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพอย่างปีนี้ในมงคล ว, วรโอกาสที่มีงานเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติครบหกสิบปี คนเราไม่ค่อยให้ความสนใจคนไทยไม่ค่อยให้ความสนใจประเด็นนี้แต่แท้ที่จริงปีนี้พระองค์ท่านน่ยพระราชทานอาภัยให้นักโทษ 25,000 คนนี่ก็เป็นอาภัยทานเหมือนกันอัตมภาพจึงคิดว่าถ้าเราให้อามิสทานแล้วให้ธรรมทานแล้วยังไม่เคยฝึกให้อาภัยทานก็น่าจะลองปฏิบัติดูเพราะว่าการให้อาภัยทานเป็นการปลดปล่อยจิตใจตัวเองให้เป็นอิสระอัตมภาพเคยมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่ง ทำงานอยู่ในแวดวงสิมมันชนแล้วเขาทุกข์มากเพราะเขาเที่ยวทะเลาะไปกับคนนั้นคนนี้มาดูรายชื่อแล้วเป็นสิบคนเขาบอกว่าทําไมไปที่ไหนมันทุกข์เพราะแค้นีไงมีวันหนึ่งลุกขึ้นมาเขาเอารายชื่อคนที่เขาแค้นมานั่งไล่ดูแล้วโทรไปขอโทษทีละคนเขาบอกบอพอเขาทําอย่างนี้ปุ๊บเย็นวันนั้นเขาบอกว่าตัวมันเบาเลยเพราะว่าทุกคนเที่ยวรไปขอโทษทุกคนก็บอกไม่ติดใจเอาความมนุษย์เนี่ยพอในใจมันไม่มีติดค้งอะไรกับใครมันส่งไหะเขาบอกว่าเขามีความส่งม เมือนได้ปดล่อยตัองเป็นลูกโป่งที่หลุดจากมือคนถือมันลอยขึ้นฟ้าเลยนั่นแหละคืออานิสงส์ของอรภัยยะจิตใจตัว เ, เป็นอิสระอิสระจากความโลภความโกรธความหลงความแค้นคนที่จิตใจเนี่ยเต็มไปด้วยอรภัยยะธรรก็ปลอดโปร่งล่งเบามีความสุขเห็นไหมว่าถ้าอรภัยทานเป็นก็มีความสุขเช่นเดียวกันดังนั้นและฐานะที่เราเป็นชาวโลกอย่าว่าแค่เป็นชาวพุทธนะเป็นชาวโลกฝึกให้ครบสามขั้นตอนคืออามิสงทานให้วัตถุล ธรรมทานให้ธรรมะเราก็ภัยาทานให้การยกโทษกับเพื่อนมนุษย์ด้วย